ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا لبى وبيه نستاىن اللهم صل على محمد السلام عليكم วาระมะบุลลาฮิวละบาราคาตุขอความสันติความจำเริญจ้าอัลลอฮ์ได้โปรดประสบได้พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตัฟซีร์ในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตาม รับฟังรับชมทุกท่านวันนี้ครับต่อเนื่องกันมานะในศุราฮูดวันนี้หนึ่งสองสามสี่สี่อายะในสุรฮูดอายะที่สี่สิสี่ถึงอายะที่ี่สิบเจ็สี่อายะนะครับจากศุราฮูดสี่สสี่สี่สิบห้า ส6หแล้วก็สี่สิบเจดนะชื่อซุรอเนี่ยซุรอูดแต่ว่าเนื้อหาที่จะศึกษาในวันนี้ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวข้องกับนบีนวัวที่น้องอยังงงนะอันนี้คือซุรอูดแต่ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนบีนัวด้วยบางคนก็ถามว่าเอ ซุ่น้อก็มีทำไมไม่จับประวันนบีน้อไปไหว้ด้วยกันให้หมดเลยพูดดีเดียวให้จบแล้วก็พออะไรละ่ะพอจะพูดน บ, บีพูดก็ใส่ยประวัน บ, บีพูดอย่างเดียวอยู่ในซุ่น้อพูดพอจะพูดน บ, บีมูหมัดก็ซุ่น้อนบีมูหมัดอย่างเดียวแยกไปเลยไม่ต้องไปปนกันทําไมก็อ่านไม่จัดแบบนั้นออันนี้ก็เป็นคําถามนะครับ ผิดไมหมอย่าถามไม่ผิดหรอกคําตอบมีเยอะพี่น้องนะผมก็ทราบแค่บางส่วนเราเนี่มีความเคยชินพี่น้องครับกับการแบ่งอะไรเป็นแบบแยกส่วนเวลาที่อ่านหนังสือเขาจะแยกตามบทเนื้อหาตามบทตามบทลักษณะาการแบ่งแบบนี้เนี่ยเพิ่งมามีในระยะหลังเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาให้เป็นหมวดเป็นหมู่ คณิคัมพีก็อ่านเนี่ยเวลาที่มามามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านหมายถึงที่เวลาที่เราอ่านเนี่ยนะครับเราอ่านแล้วก็ทําไมเอ่ยคิดค่อควรบางทีก็ะดาษหีดายะเวลาที่คนอ่านมันมีหลายแบบนะครับกู่อ่านก็นําเสนอพร้อมๆกันเช่น เล่าเรื่องประวัติไปนะเล่าประวัติให้ฟังเสร็จแล้วก็ข้อมูลให้เป็นแง่คิดบางคนเออถ้าถูกนําเสนอแบบนี้จะเข้าใจง่ายกว่าบางทีก็อ่านไม่ได้เล่าประวัติแต่ว่าเปรียบเทียบให้ฟังจะเป็นแผ่นดินจะเป็นฝนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้แง่คิดเพราะบางคนเข้าใจในลักษณะแบบนี้ถนัดแบบนี้มากกว่า วางทีก็อ่านก็ชวนให้คิดตั้งคำถามจะเป็นเชิญปัตยาจะเป็นเชิญตากาักกะอะไรก็แล้วแต่ก็อ่านใช้วิธีการหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับผู้คนที่มาอ่านบางคนบอกอย่าถามเยอะคิดเยอะไม่ถนัดแต่ถ้ายกตัวอย่างเป็นภาพเนี่ยเข้าใจบางคนยกตัวอย่างก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเล่าเป็นประวัติ เข้าใจฉะนั้นเราต้องกลับมามงรู้กรุรอานเนี่ยเวลาโตอตอบไม่ได้โตอตอบกับคนประเภทเดียวแต่โตอตอบกับมุสลิมทุกคนซึ่งในชีวิตของเขานั้นทำไมเอย่ยมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับคุรานนะไปอ่านตรงไหนก็ได้แง่คิดเพราะว่าประวัติม่ไจะมากระจุกโดยการกระจายออกไปทำนาทีในการให้แง่คิดในตาแหน่งต่างๆในคุราน ฉะนั้นวันนี้นะครับประวัตินบีนัวมาโผล่ที่ซารฮูดแตกไหมไม่แตกนะอ้าวประเด็นต่อมานะครับในอายาที่44บี่น้องต่อเนื่องกันมากับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วบี่น้องอาจจะจําได้ประวัติเนี่ยตอนที่นบีนัวน้ํามันท่วมแล้วแผ่นดินมันแตกออกน้ํามันพุ่งขึ้นมานาบีนัวกับผู้ศรัทธาก็อยู่บนเรือ เราได้ทราบบทสนทนาระหว่างนาบีนุ่์กับลูกจะชื่ออะไรกันแล้วแต่นะครับทำไมเอ่ยนบีนุ่วเรียกให้ขึ้นลูกบอกไม่เอาจะไปอาศัยภูเขาสุดท้ายก็จมน้าอั น, นเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้วเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้ครับน้ำแห้งเมื่อน้าได้ลด ในอายะ์ที่สี่สบี่อัลลอฮฺตรัสไว้ว่าอวกีละและถูกลก่าวว่าและมีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าไม่ได้บอกว่าใครกล่าวแต่ว่าโดยประโยคเราเข้าใจว่าในที่นี้คืออัลลอฮเพราะว่าเดี๋ยวจะสั่งฟ้าและก็สั่งแผ่นดินอวกีละและได้มีเสียงกล่าวขึ้นมาว่ายาอัลตู โอ้แผ่นดินเอ๋ยนะครับเวลาเราอ่านอ่านติดยาอับยาอับดุบไหลมาอากาโอ้แผ่นดินเอ๋ยทําไมเอ๋ยจงกืนน้ําของท่านนะกืนน้ําก็คือ น, น้ำเนี่ยมันอยู่บนผืนดิ น, ดนแล้วก็ให้ดูดน้ําลงไปเสียงที่ตรงนี้สั่งเนี่ยตอนนี้เราทราบข่าวข่าวแล้วเป็นเสียงอัลลอฮฺ าวายาสมาอูและโอชันฟ้าเอ๋ยอาจจะไม่ได้เป็นเสียงออกมาแต่เป็นคำสั่งของลอสั่งแผ่นดินเสร็จก็มาสั่งฟ้าต่ออัร์เกอีให้หยุดอิกลาจริงแปลว่าถอนในที่นี้คือแปลว่าให้หยุดหยุดฝนที่ตกลงมาวอเกดอนมาและน้ำทำไมเอยมันก็นได้ลดลง อวูกูติยันอัมรุนะครับการงานต่างๆมันก็ทําไมเอย่ยเสร็จสิ้นกับมันแล้วถูกตัดสินแล้วคนที่ไม่ศรัทธาก็จมน้ําแล้วผู้ศรัทธาก็รอดแล้วอันนี้แปลคร่าวๆก่อนนะวัตตะวัตอัลันยูดีแล้วทาไมเอย่ยแล้วมันก็จอดอยู่ที่ภูเขายูดีมันในที่นี้คือใครก็คือเรเนบีนัวอันนี้ นะครับในท่าอายะบอกว่าวากีล่าและก็ถูกกล่าวว่าบวันบดันจริงแปลว่าไกในที่ที่มีมานาตะเอ่อแคตาเกะนะครับหมายถึงความหายนะนะในภาษาไทยมันเขียนผิดเนี่ยความหมายยนะจริงคือความหายนะลินเกามิซอนดมีนความหายนะความต่ําต้อยความอัปยศทําไมเอ่ย จะประสบกับบรรดาผู้ที่อารรมนี่คือความหมายของอายาที่44เขาฆ่ามาดูในส่วนของตับซีริปิโนงนะครับคำว่ากีลาในอายาที่นบิ่นงนงมีกีฬาสองกีลานะหนึ่งกีฬาที่ว่ากล่าวเนี่ยสั่งฟ้าสั่งแผ่นดินกับกีฬาที่สองที่คล้ายๆกับการ สาบแช่งหรือว่าให้ความอปยศกับประดาผู้ที่ศรัทธานักตบเซียก็มีประเด็นหลากหลายมากว่ากีล่ากีลาแปลว่าถูกกล่าวว่าถ้าภาษาอังกฤษกเ็าเรียกว่า passive voice เช่นขนมปังถูกกินเนี่ยไม่รู้ใครกินไม่ทราบว่าใครเป็นประธานกีล่าแบบนั้นไม่ทราบว่าใครเป็นประธานนักตบเซียก็ตั้งคาถามว่า แล้วใครเป็นคนที่กล่าวอ่าอันนี้เราให้ฟังทัศนะหลากหลายพี่น้องเออค่อนข้างที่จะส่วนมากส่วนใหญ่กีล่าทั้งที่หนึ่งนะครับกีลาที่แบบกียากีล่ า, ลายาอาลูดูที่สั่งแผ่นดินเนี่ยเป็นอัลลอฮ์เพราว่าโดยโดยปกติแล้วใครจะมาสั่งแผ่นดินสั่งฟ้ากีลาที่หนึ่งส่วนมากมองว่าเป็นอัลลอฮ์ บางส่วนก็มองมาเป็นนบีนุ่มเหมือนกันนบีนุ่มมันจะมีอำนาจสั่งแต่ว่าอำนาจมจาจากอัลลอฮ์อีกทีพอถึงจังหวะแล้วคนที่ไม่ศรัทธาผู้ปฏิเสธจบหน้าหมดแล้วถึงเวลาที่สมควรแล้วก็ทําไมเอ่ยนบีนุ่มก็บอกว่าให้บัรดินเนี่ยกือนน้าให้ฟ้าหยุดตกซึ่งเป็นส่วนน้อยแต่ม่ได้แปลว่านาบีนุ่มมีอำนาจพิเศษนะอัลลอฮ์อัลฮีลงมาให้พูดแต่สมมติจะหมายถึงอลัลลอฮ์มากกว่า อันนี้กีราที่หนึ่งนะครับกีราในท้ายอายะที่บอกว่ากีลาบวดันลินเกลมิซอลีมีนที่บอกว่ า, า, า, วาทําทไมเอย่ยความหายนะความอัปยศจะผสมกับบันดาผู้ที่อธรรมก็มีทัศนะหลากหลายบางคนบอกว่าเป็นอัลลอฮ์อ่าเพราะว่าทําไมเอย่ยบวดนที่นี่คือบวดนอนันรัมะห่างไกลาจากความเมตตา ดุนยากระโดนอาคิรักกระโดนบางคนบอกว่าเป็นผู้ศรัทธาที่อยู่ในกลุ่มนบีนวลนั่นแหละเพราะว่าทําไมละ่ะสุดท้ายผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาก็ถูกลงโทษดุนยากำจมน้ำตายในอาคิเราะ ก, ก็ได้รับการลงโทษอ่าก็แล้วแต่นะครับการให้ความหมายกันประเด็นต่อมานะครับการที่น้ํำจะแห้งไปนวลโอรีตันมา มีสองปัจจัยหนึ่งคือแผ่นดินเนี่ยทําไมเอย่ยแผ่นดินมันกืนน้ํามันดูดน้ําและประเด็นที่สองที่ทําให้น้ําแห้งได้ก็คือฝนที่ฟ้าเนี่ยมันหยุดตกนะถ้าเราเอาตามทัศนาสนมาที่บาวากีลาตัวนี้คืออัลลอฮ์อัอลลอฮ์สั่งให้แผ่นดินนะกินน้ําเข้าไปมาอากาศกืนน้ําของท่านกขไปของแผ่นดิน แล้วก็ให้ฝนที่ฟ้าอยู่ตกแล้วก็น้ําถึงแห้งถ้าเราอ่านแบบนี้ก็ก็พอใจแต่ว่าด น, นตัปซิบางคนเช่นสมัชช ร, รีนะครับตัปซิมักกัชชาร์และก็ที่ผมใช้อยู่กับอิมูอาชุดเนี่ยสมัชช ร, รีจริงๆเป็นมวดตัศิล้านะด้านนักีดได้ถูกตั้งคําถามแต่ว่าด้านภาษาในการตัปซิเยี่ยมมากหาใครเทียบยากเวลายกมาต้องยกให้ถูกประเด็น ไม่ได้ยกด้านกีนา้าแต่ว่า ย, ยกด้านภาษาหายากตับซิทไหนจะกินกัตชาบของสมัครเชรี่อธิบายอย่างนี้ครับพี่น้องคำถามคือทำไมถึงสั่งเวลาใช้น้ำแห้งเนี่ยทำไมต้องสั่งแผ่นดินก่อนแล้วคอยไปสั่งฟ้าเวลาที่เรามองสายเหตที่น้ำท่วมน้ำท่วมพ อ, อะไรกรุงเทพน้ำท่วมน้าท่วมเพราะว่าฝนตกก็เลยน้าท่วม ในข้ายัดเขาอ่านนี้ทําไมไม่สั่งท้องฟ้าก่อนให้หยุดฝนแล้วค่อยไปสั่งแผ่นดินให้ดูดน้ําลงไปทําไมถึงสั่งแผ่นดินก่อนอ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาตั้งขึ้นมาในทางภาษานะครับประเด็นที่สองเวลาพูดถึงแผ่นดินเนี่ยจงเกื่นเนี่ยมีกรรมคือมาอากการเกลืนน้ําของท่านไปแต่เวลาสั่งชั้นฟ้าเนี่ยอักเลอีจงหยุด ไม่มีกรำรไม่มีคํำว่าน้ําอันนี้ก็เป็นประเด็นจากรูปภาษาเขาก็มองว่ามันน่าจะมีทิคแมะอะไรบ้างนะครับนักธรณีวิยอธิบายว่าสาเหตุที่ น, น้ําแห้งในวังกีดอนมาเนี่สาเหตุหลักเลยในยพี่น้องไม่ได้มาจากฟ้ามาจากแผ่นดินประหลาดใจเรามองว่าน้ํำท่วมเพราะฝนตกจริงๆเนี่ยถ้าพื้นดินดี ตกยังไงก็ไม่ท่วมหมายความว่าถ้ามีการระบายน้ําอันนี้มองในเชิงนโยบายกทมอสมมุตินะครับลองดูล้กันนะถ้ามองในเชิงน้ําท่วมไม่ท่วมเนี่ยประเด็นหลักไม่ใช่ฝนนะประเด็นหลักอยู่ที่ดินดินในที่นี้หมายถึงพื้นระบายได้ไหมถ้าระบายไม่ดีไม่ต้องตกเยอะยังไงก็ท่วมประเด็นอยู่ที่ดิน ประเด็นที่หนึ่งอยู่ที่ดินฝนก็มีส่วนแต่เป็นประดินรองลงมาในอายะหก็อาจถึงสั่งสั่งแผ่นดินก่อนคือถ้าแผ่นดินไม่ดูดน้ำไม่กืนน้าก็ไปต่อให้ฝนหยุดมันกระท่วมมันขังอยู่อย่างนั้นพี่น้องเวลาน้ำท่วมกรุงเทพมันจะฝนหยุดแล้วมันหายท่วมนาฝนหยุดมันกระท่วมอยู่เพราะทอมันระบายไม่ทันแผ่นดินมันกืนไม่ทัน น้ำท่วมไม่ใช่น้ำท่วมเนี่ยประเด็นไม่ไดมาจากฟ้าประเด็นอยู่ที่แผ่นดินทำามาจากฟ้าฝนหยุดตกปุ๊บน้ำหายปับ๊บจริงๆไม่ใช่ฝนหยุดไปครึ่งวันแลว้วแต่น้ํายังมีอยู่ทําไมละ่ะแผ่นดินมันเกืนไม่ทันอาบอกคนมองแบบนี้เลยอันนี้นี่มองมาหลายร้อยปีนะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่งนมามองเขาก็เลยบอกว่าในะอายาก้ออ่านก็เลยสั่งแผ่นดินก่อนก่อนที่จะสั่งท้องฟ้าอัวให้กืนน้ํา น้ำจะแห้งไม่แห้งดินสําคัญนะกว่าฟ้านะแล้วประการที่สั่งแผ่นดินว่าให้คืิน้ําแล้วมีคําว่าน้ําเนี่ยอันนี้ก็ต๊อบซีกันเยอะนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากน้ําเนี่ยทําไมเอ่ยมันอยู่ใกล้เวลาฝนตกน้ําท่วมน้ําท่วมเนี่ยน้ํามันอยู่ที่ไหนละ่ะมันอยู่ที่แผ่นดินไม่อยู่บนฟ้าพี่น้องเข้าใจไหมน้ําท่วมคือน้ําอยู่ที่ดินไม่อยู่ที่ฟ้าฉะนั้นก็เลยเน้น มาอากาเนื้อเกลืนน้ําของท่านมีเฉพาะแผ่นดินแต่ท้องฟ้าเวลาสั่งสั่งไอ้แค่หยุดฝนไม่ได้หยุดฝนของท่านไม่มีคําว่าน้ําอันนี้เป็นแง่มุมทางทางภาษาลึกไหมลึกนี่คือมรดกทางวิชาการของนักวิชาการสมัยก่อนนะครับหลังจากสองปัจจัยจบไปแล้วดินดูดน้ำนะอันนี้ไปทํานโยบายเลยเลยพี่น้องกรุงเทพด้วยนาไม่ท่วมแล้วก็ฟ้า หยุดฝนฟ้าหยุดฝนเน่ยผู้ว่าทําอะไรไม่ได้แต่ดินที่กืนน้าเนี่ยผู้ว่าทําได้จะขุดอุโมง์ต่ออะไรกันแล้วแต่ว่ากันไปนะครับจริงๆอุโมงก็มีแต่วาลาระบายน้นะํานี่ยคนในนั่นขยะมันเยอะระบายไม่ทันสุดท้ายกับปัญหาหมันเดิมปัญหามาจากพื้นดินที่น้ําท่วมมีท่อแล้วระบายไม่ทันหรือว่ายัางมีไม่พอหรือมีแล้วขยะเยอะมันตันไปหมด ปัญหาน้ำท่วมมาจากแผ่นดินมากกว่ามาจากฝนวากีดนมาน้ำก็ทำไมเอ่ยน้ำก็ลดแล้วก็แห้งนะครับวากูดิยันอัมรุและการงานกิจการต่างๆก็เสร็จสิ้นถูกตัดสินไปแล้วคืออะไรพี่น้องน้ำท่วมในท่วมทำไมท่วมเพราะว่าผู้ที่ปฏิเสธต่ตอ น, นบีนัวเนี่ย เกินขั้นที่จะเยียวยาแล้วใช้ระยะเวลาใน บ, บินโนเป็นนมิที่อดทนมากพี่น้อง950ปีในการเผยแพร่พูดดีอดทนแต่วสุดแล้วคือจะสอนต่ออีกพันปีผู้ศรัทธาก็ไม่เพิ่มแล้วมันมีแค่นั้น 70% คน80คนฉะนั้นทำไมเอ่ยอัลลอฮ์ก็เลยลงโทษคนเหล่านี้เมื่อน้ําท่วมเรียบร้อยแล้วพี่น้องคนเหล่านี้เสียชีวิตหมดแล้ว ทำลายความไม่ดีแล้วน้ําก็แห้งพอน้ําแห้งก็อ่านก็บอกว่าเวอกูดิยันอามารุทําไมเอ่ยการงานตรงนี้มันก็เสร็จสิ้นไปแล้วเป้าหมายเพื่อจะล้างล้างคนล้างโลกเนี่ยพี่น้องมันจบแล้วน้ําก็เลยแห้งไม่ได้เป้าหมายเพื่อจะมีนวกับสาวกนั่งเรือเล่นนะครับพอคนตายจบไปแล้วก็จบเรื่อง ก, ก็จบหน้าที่น้ําก็แห้งนะ วสตาวัดอลายูดีอิสติว่านะที่นี้เป็นมานาอิสติกรัดเรือของนบีนาก็ไปอยู่ที่ยูดียูดีดนักท่องสิยบอกว่าเป็นเขาท่า น, นี้ก็เถียงกันแหละว่ายูดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบางคนบอกเถอะเขาอารัทอยู่ที่ผมแดนตุรกีอะไรกันแล้วแต่มีเยอะดอนเนลกิลเกิรมันจริงมันมีสาค ด, ดีทามาแล้วเป็นน้องแปรเป็นภาษาไทยเนี่ย คือไม่ใช่แค่穆ิมอย่างเดียวที่เชื่อในเรื่องนมีนวัวแล้วก็ น, น้ําท่วมโลกทางคริสเตียนในหลายๆความเชื่อเกิดจะเป็นสากลบี่น้องก็เรียงยังมีเลยน้ําท่วมโลกเนี่ยอินเดแดงยังมีเลยน้ําท่วมโลกมหากราบกินกาเม็ดยังมีเลยน้ําท่วมโลกมันปรากฏในตำนานในที่ต่างๆเยอะไปหมดจนกระทั่งมีลักษณะเป็นสาคนนกคบะน้ําท่วมโลกในความเชื่อไหนก็มีฉะนั้นคนที่ไปค้นหาเนี่ยวา เออนบีนวูวอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะเป็นเป็นพวกฝรัง่งมีสาขดีพี่น้องแปลภาษาไทยเซิร์ชในก o เกิลนี่แหละเข้ายูทูบแล้วก็เซิร์ชนี่แหละก็ไปมันมีมันทีก็เป็นบูคลาไปรูปเรือเอา้าก็ไปตรวจว่ามีไม้ ม, ม, มีนู่นมีนี่ไหมที่สํารวจบทีมก็มาจากฮ่องกงก็มีนะเดี๋ยแยกตรวจมาอ่นกับจริงมาอันก็นไม่จริงพี่น้องไปดูแล้วกันก็อ่านก็บอกว่าอยู่ดีคีนี้อยู่ดีก็เป็นทักศนะว่าอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับ เออบางคนนักท่องเที่ยก็มองต่ออีกว่าเ อ, อแล้วทําไมไมาต้องไปหยุดที่เขาล่ะอ้าวตั้งคำถามว่ามันมีฮิกมาอะไรไหมทําไมไม่หยุดที่ที่พื้นธรรมดาเวลาลงเรือจะได้ง่ายๆทําทไมที่ไปหยุดบนเขาเขาก็บอกฮิกมาหลายอย่างเช่นเขาเน่ยมันสูงมันก็สังเกตได้ว่าน้ําเนี่ยเป็นยังไงถ้าอยู่ระดับล่าง บางทีสังเกตไม่เห็นเพราะว่าตอนนั้นอนโลกมันเป็นโลกโลกใหม่นะโลกที่เคยอยู่มันหายไปหมดกับสายน้ําแล้วทิศทางในการกําหนดว่าใครจะลงไปไหนจะไปตั้งถิ่นฐานที่ไหนจะเดินทางไปทางไหนถ้าสูงราชการเรือนบินว่าอยู่บนเขาเนี่ยมันจะเอื้อมากกว่าบางคนก็บอกเพื่อความมั่นคงเรือนี่มันใหญ่ถ้ามันอยู่บนพื้นดินเนี่ยมันทีทําไมล่ะมันจะโคง้งจะเค้ง ขีดบนเขาเนี่ยไม่ใช่บนยอดนะพิงไว้กับเขาอิสติกรสบางคนอธิบายว่าพิงไว้กับเขาเพื่อให้ความมั่นคงพราสัตว์ลงแล้วอะไรลงแล้วน้ําหนักมันเบาลงแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ล้มไม่ล้มลก็แล้วแต่ทัศน์ส่งประเด็นเรือนบวีนว่าอยู่ไหนเนี่ยเป็นโอ้โหเขาตามล่าเรือนอีนว่ากันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับหลังจากนั้นแล้ววากีลาบุดันลินเกามิซอรีมีน ทำไมเอ่ยความอัปยศจะประสบกับบรรดาผู้ที่ผู้ที่อธรรมนในตรงนี้ในพี่น้องอาย่านี้แสดงถึงเขาเรียก ว, ว่าถ้าพูดถึงทางหลักศรัทธาในหลายอย่างพี่น้องครับหนึ่งทำไมเอ่ยแสดงถึงพลังอำนาจของฮอลล์ มีใครไหนบ้างจะสั่งฟ้าแล้วก็สั่งแผ่นดินได้สั่งนี้ไม่ได้สั่งให้ทําอย่างเดียวยนาะสั่งให้หยุดได้ด้วยอันนี้คืออิรานตุลลอห์พระประสงค์ของอัลลอฮ์ตัวนี้สําคัญมากผมขอพูดเลยไปทีหนึงอาจจะเข้าใจยากเวลาเราพูดถึงพระเจ้านะพี่น้องพระเจ้าในความเชื่อต่างๆเนี่ยมันมีหลายความหมายนะหนึ่ง พระเจ้าที่เป็นตัวตนเลยเป็นพระเจ้าแบบอัลลอฮ์ในสลามเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีอิรอดเป็นพระเจ้าที่เป็นตัวตนเป็นผู้ที่สร้างโลกอันนี้ก็คือพระเจ้าในบางความเชื่อพระเจ้าไม่ได้เป็นตัวตนแบบนั้นเป็นอำนาจเหนือธรรมชาติเป็นสภาวะบางอย่างเช่นกฎแห่งกรรมก็ทําหน้าที่ตรงนี้ธรรมชาติ อะไรกันแล้วแต่อาจจะไม่มีตัวพระเจ้าจริงๆ ก, ก็ได้แต่เป็นอำนาจอำนาจหนึ่งเป็นสภาวะสภาวะหนึ่งซึ่งกําหนดจักรวาลในาบางความเชื่อถือว่าพระเจ้าเป็นแบบนี้ในบางความเชื่อก็ถือว่าพระเจ้าไม่จําเป็นต้องสูงสุดก็ได้เป็นพระเจ้าท้องถิน่นเป็นเทวดาประจําเผ่าก็ถือว่าเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันในอิสลามเนี่ยเราศรัทธาว่าอล้อเป็นพระเจ้าผู้สร้างไม่ได้เป็น อัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นนามาทำเป็นกฎธรรมชาติแต่เป็นพระเจ้าซึ่งมีอิรอดะมาถึงว่ามีพระประสงค์เป็นตัวตนจริงๆไม่ใช่แค่เป็นอัลลอฮ์ก็คือกฎธรรมชาตินั่นแหละแบบนี้ไม่ใช่หรืออัลลอฮ์ก็คือก็คือจักรวานนลนั่นแหละแบบนี้ไม่ใช่ในอาย่านี้เนี่ยอัลลอฮ์มีอิรอดะมีพระประสงค์สั่งให้แผ่นดินและก่อฟ้าทำหน้าที่ของมันเริ่มมาถึงเวลาแล้วก็สั่งให้หยุด มาจากคําสั่งของลอตนะมันจะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรือว่าธรรมชาติอะไรเองไม่ใช่เป็นพระประสงค์เจาะจงมาเลยจาก อ, อัอลลอฮ์เช่นเดียวกันอลัลลอฮ์สั่งให้ไฟเย็นอะไรที่เหนือธรรมชาติกับนบีบรอดกิมก็เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์มันจะแยกออกจากพระเจ้าในอีนัยหนึ่งของของความเชื่ออีกจําพวกหนึ่งอันนี้เราไม่ได้ ว, ว่าเขาผิดว่าก็ถูกแต่ว่าพระเจ้าในทัศนคตของอิสลามเป็นแบบนี้พี่น้อง อัลลอฮ์สั่งชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินได้แสดงถึงพลังอำนาจของอัลลอฮ์ของที่เราสมมติถึงมาว่าเป็นเจ้าทำตรงนี้ได้ไหมไม่ได้สั่งธรรมดานะสั่งให้ทำแลวสั่งให้หยุดอ้าวอัลลอฮ์สั่งได้สั่งหยุดตอนไหนสั่งหยุดเมื่อเสร็จเรื่องของมันวากุติยันอัมรู เมื่อคนที่ไม่ศรัทธาเสียชิตไปแล้วพ้นสำเร็จเป้าหมายมาแล้วก็สั่งให้หยุดแล้วหยุดไหมแล้วก็หยุดตามคำสั่งของลอร์อยะนี้ก็แสดงถึงทำไมเอ่ยแสดงถึงพรนุภาพของลอร์เหมันกันนี่ในด้านพระเจ้าในด้านความเป็นบาวพี่น้องแต่ก่อนเราเคยเข้าใจว่าฉันคือบาวของลอร์มนุษย์คือบาวของลอร์ตาตามคาสั่งของลอร์ ในอายะนี้เราเข้าใจเพิ่มเติมว่าสรรพสิ่งทั้งหมดก็เป็นบ่าวขอลอล่ทำตามคาสั่งขออ่ล่เหมือนกันมนุษย์นาดีหน่อยพี่น้องทำไมละ่ะเลือกทำความดีความชั่วได้รักกรรมตอบแทนได้สวรรค์ได้นรกแผ่นดินชั้นฟ้าเนี่ยไม่ได้มีอามานแบบนี้นะเออแต่ว่าทำไมเอย สิ่งเหล่านี้ไม่เคยฝืนคําสั่งของเราสั่งให้ตกก็ตกสั่งให้หยุดก็หยุดสั่งให้ดินแยกนะ้ำพุ่งกับพุง่งสั่งให้อดูลแต่ที่เคยพุ่งออกมาลงใหม่ใหม่ฝัดดินกระทาตามถ้าเราพี่น้องครับไม่ต่ออัดต่อคําสั่งของเราทำไมเอ่ยเราก็ถ้าเทียบกับบปล่าประเภทอื่นแล้วมัคคุลุประเภทอื่นแล้วเนี่ยมนุษย์เดือดีฝ่าฝืนอันอื่นไม่เคยฝ่าฝืนโลกนี้พี่น้องมาเป็นกฎของมัน แลกดตรงนี้จะลอสั่งเนี่ยมันมีความเสถียรต่างคำสั่งของลอร์ให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้พี่น้องทราบไหมว่าถ้าโลกนี้เนี่ยไม่เชื่อฟังคำสั่งของลอ์เราอยู่ลำบากเช่นยกตัวอย่างไงเข้าใจนะครับ เ, เวลาเราใช้ชีตผมขับรถมันเนี่ยพี่น้องคือทางฟิสิงจะมีแรงเยอะแรงเฉืเฉ่อยเวลาเบรกเวลาสตาร์ท อะไรการชนการเบรกเนี่ยออกแบบมาทําให้รถเราขับได้ก็คือจักรวาลเนี่ยมันเป็นระบบตามคําสั่งของผู้เป็นเจา้าคราวนี้ถ้าจักรวาลอันนี้พูดถึงแก่ขับรถนะมีเยอะถ้าพูดถึงจักรวาลมันเกิดไม่ต่ออัดต่อละ้ะหมายความว่าวันนี้มีแรงดึงดูดผู้นี้ไม่อยากจะมีวันนี้มีแรงเฉอผู้นี้ไม่มีคือระบบในโลกถ้ามันมั่วไปนมนุษย์พี่น้องมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ วันนี้มาสอนหนังสืออยู่เนี่ยมันมีเก้าอี้มีแล้วน็อปถ่วงอาทิตย์หน้าจะมาสอนมันอยแล้วอ้าวมันทุกก็ต้องคิดอะไรใหม่จะนั่งยังไงรถจะออกแบบยังไงเราอยู่กันไม่ได้พี่น้องที่อยู่ได้ทีวันนี้เพปปราะสรรพสิทนิจักรวาลมันเป็นไปตามกฎขอรอสินประดิษฐ์มาร้อยปีทีแล้วรถยนต์เนี่ยฟอดคิดมาลอยกว่าปีแล้วมั้งตอนนี้ก็ใช้หลักเดิมถ้ากฎในโลกมันเปลี่ยนนะรถยนต์ต้องเปลี่ยนอีกเพราะว่ากฎ ทางฟิสิกส์ทางอะไรมันเปลี่ยนไปหมดกฎเราที่อยู่ในจักรวาลดําเนินไปตามคําสั่งของพระผู้เป็นเจ้าด้วยกับความต่ออัตถึงเป็นระบบถึงสเสถียรเราถึงต่อยอดเข้าใจแล้วก็คิดเทคโนโลยีได้ถ้ามันไม่ต่ออัตขึ้นมานะพังหมดพี่น้องเพ้ยก็เตอร์ที่บินได้อีสองวันมันระบบมันเปลี่ยนเอา้าต่อไปคิดเครือบินแบบใหม่จะอยู่กันยังไงนะครับหลายแบบอันนี้ให้แง่คิดไปฟัง สแสดงถึงอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ความเชื่อฟังความต่ออาถของบาปในอายาที่45ครับย่อไม่จบนะครับนบีนูฮ์บอกว่าวานาดานูฮุนรบบาหูนบีนูฮ์ได้ร้องขอต่อพระเจ้าของเขาก็คืออัลลัฮ์นี่แหละนบีนูฮ์ขออย่างไงเหมือนกับขอดุอารณ์สอกอล่นบีนูฮ์ได้กล่าวว่า รอบีโอพระเจ้าของฉันอินนับนีลูกของฉันคนไหนล่ะคนที่จมน้ำไปแล้วมินอฮลีเป็นหนึ่งจากครอบครัวของฉันตัวนี้หนึ่งนะครับเอ่อท่านนบีนว่นเนี่ยลูกคนนี้เนี่ยนบีนวน่นมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนบางคนบอกสองคน และก็ภรรยาคนหนึ่งทำไมเอ่ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธเหมือนกับภรรยาในบีลูธถูกกล่าวไว้พร้อมกันในซูรักต้ารีมเราไปแล้วสัเดา์ที่แล้วผมทัวน์ให้เพือใครไป ม, มาและก็ลูกคนนี้ซึ่งจมน้ำเนี่ยก็มาจากภรรยาที่ที่ไม่ศรัทธาจะชื่อกันอ่านชื่อยามันอะไรกันแล้วแต่สมมากเขาจะบอกว่ากันอ่านนาบินูธบอกว่ารบบี้ขอต่อร้อนนะครับอินนัปนี แน่แท้จริงๆแล้วลูกของฉันมินอัฮลีมาจากครอบครัวฉั น, น, น, น, นวอินนาวะดะ ก, กันฮักกุและสัญญาของท่านของลอเนี่ยก็เป็นจริงว่อันตาอัคกามุนฮากีมีนและท่านนั้นนารดาผู้ตัดสินเนี่ยออลอเป็นผู้ตัดสินที่ที่ทดีที่สุด อันนี้มีประเด็นเหมือนกันประเด็นหลประเด็นเลยพี่น้องประเด็นที่หนึ่งนะครับทําไมนบีนวดถึงขออุดมให้ลูกนบีรุ่นนี้เป็นนบีไม่ไม่พอใจเล้วว่าลูกที่ไม่ดีเนี่ยจะขอตลอดเนึ่ยขอไม่ได้อ่าคนก็ะตังคําถามก่อนอันนี้ประเด็นนั้นมีประเด็นสําคัญการขอนบีนวดตรงนี้ไหนพี่น้อง ขออะไรขอตอนไหนเออหนึ่งถ้าเราดูเหตุการณ์ในะลําดับอายาเนี่ยอายะที่สี่สิบสี่น้ําแห้งไปแล้วแปลว่าที่ลูกจมน้ําเนี่ยจมไปแล้วมันจมมันแต่ท่วมอันนี้แห้งไปแล้วและน บ, บีนุ่มมาขอหลังจากเหตุการณ์เนี่ยน บ, บีนุ่มขออะไรลูกลูกตายไปแล้วขออะไรถ้าดูตามลําดับแบบนี้นะแปลว่าสิ่งที่น บ, บีนุ่มขอข อ, ข อ, ขอมักฟิรา ขออาการอภัยโทษจากอัลลอถ้ามองว่าซึ่งก็มีน้ำหนักเหมือนกันเพราะว่าทำไมเอ่ยโดยลำดับอายาเป็นแบบนี้คราวนี้ถ้าเราบอกว่าการเรียนลำดับตรงนี้ไม่ได้ตรงต่อลำดับเหตุการณ์มาถึงเล่าเรื่องน้ำท่วมก่อนน้ำแห้งไปแล้วค่อยย้อนมาเล่าสิ่งที่เดบีนัวขอตอนนั้นย้อนไปใหม่ก็คือว่าขอให้อัลลอฮเนี่ยทำไมเอ่ยช่วยเหลือลูก อันนี้ก็มีคนอธิบายเหมือนกันแต่ว่าเราตามอายะห์ก่อนตามลาดับก็คือว่ามีตาหนักค่อนข้างที่จะว่าดูอาตรงนี้ขอตรงนี้เนี่ยขอหลังจากน้ำท่วมไปแล้วแปลว่าลูกตายไปแล้วถ้าลูกตายไปแล้วก็ตัดประเด็นขอให้ช่วยลูกไม่ให้จมนะตัดประเด็นไปพอจมตายไปแล้วน บ, บีนุ่ขออะไรจังหรอนับซี บ, บางคนว่าขอมักฟิรา ขอการอภัยโทษถ้าถอขอการอภัยโทษแล้วเนี่ยนะครับคำถามก็มาต่อคือขออภัยโทษเนี่ยขอให้คนที่ไม่ใช่มุส穆ิมขอไม่ได้นะเวลาที่เราไปเยี่ยมคนต่างศาสนิกพี่น้องดูอาที่ขอในพี่น้องแบบวอวยพรนะขอได้ให้มีสุขภาพดีนะหายไวๆนะ แต่เราเข้าใจแหละทวที่ขอขอจะอลล็อกอันนี้ขอได้ไหมขอได้แต่ขอว่าอภัยโทษได้เพื่อนฉันด้วยเธออันนี้ขอไม่ได้เพราะว่าพราะว่ามันใช่มุสลิมการอภัยโทษมันเป็นอะไรเฉพาะของผู้ศรัทธากับบ่าวนะขออภัยโทษขอไม่ได้แต่ขอแบบรวยพอได้ไหมได้ขอให้สุขภาพดีพูดเหมือนกันแหละมุสลิมเราบอกขอให้สุขภาพดีนะ คนที่มาใช่มุสลิมก็มบอกขอให้สุขภาพดีนะแต่ว่าในความศรัทธาต่างกันในคนที่มาใช่มุสลิมอาจจะขอให้วงเล็บสิ่งศักดิ์ ส, สิทธิ์ต่างๆทําให้คุณสุขภาพดีนะแต่มุสลิมขอให้วงเล็บไม่ได้ออกมาเป็นคําขอให้อัลลอฮ์ทำให้คุณสุขภาพดีนะ <S <S ขอได้ไหมขอได้ในจุญญาพี่น้องการไอวยพรอวยพรได้ไหมอวยพรกันได้ครานี้ตีใหม่จะเป็นอะไรไหมอีประเด็นหนึ่งแต่อวยพรอวยพรได้ไหมอวยพรได้พี่น้อง ถ้าอย่างนั้นในบีนัวขอการอาภัยโทษให้กับลูกซึ่งปฏิเสธอลัลลอฮ์ในบีนัวขอไปได้ยังไงอ่านี่เป็นคนตั้งประเด็นเหมือนกันนะครับนักตรัสศีรผมอ่านอินุนอาชุดนะครับตรวันตันวิท์บอกว่าในสมัยในบีนัวเนี่ยบทบัญญัติวัฮียังไม่มาว่าห้ามขออภัยโทษให้กับทำไมเอ่ยให้กับคนที่ไม่ศรัทธา เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอัลล์บอกว่าฟลาตฟลาตอันนามาแซะกะบีิฮิลมุนอยาขอในสิ่งนี้ท่านไม่ทราบคือตะกอนวายฮียังไม่มาถ้าวายฮีมานาบีนุ่จะทราบนาบีนุจะไม่ขอแบบนี้อันนี้คือมุมมองที่หนึ่งมุมมองที่สองแหลมคมกว่านั้นนบีนุวเนี่ยก่อนที่จะขอบอกว่าอินนับนีมินอหลีเขาเป็นลูกของฉัน นบีนุ่งอาจจะทราบแล้วก็ได้ว่าทําไมเอ่ยการขอแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ไม่ไม่ให้การอภัยโทษแต่ว่าสำหรับใช้คำว่าอุตุชฝะมูจะแปลไงคือนบีนุ่งทำไมเอ่ยมีความห่วงในลูกเพราะว่าอินนับนีมินอฮลีลูกเขาลูกของฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฉันแล้วก็ฉันมีความปลอดภยัยฉันเลยขออภัยโทษ แม้ว่าจะทราบว่าไม่สมควรจะขอแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นลูกในครอบครัวฉันฉันก็เลยมาขอเป็นการแสดงเขาเลย ว, ว่าสาเหตุว่าทําไมถึงมาขอผมมายืมตังในวีน้องไม่รู้เปรียบเทียบได้ไหมแต่ปัญหาเป็นแบบนี้แบบนี้ลูกข้าเธอไม่มีหลังจากนั้นก็ก็ขอจริงๆไม่นำมายืมตังกันหรอกเพราะยืมบ่อยไม่ใช่เลย แต่ก็รู้ว่าไม่ได้แต่ที่มาขอเนี่ยทำไมละ่ะพราะเป็นแบบนี้แบบนี้การอภัยโทษเนี่ยพ่ไม่น่าจะได้แต่ว่าที่ฉันมาขอเนี่ยทราบเถิดว่ามันมาจากตัวฉันนะพาะเขาเป็นลูกฉันฉันได้มีความห่วงก็เลยมันขอนะครับบางคนก็พยายามเปรียบเทียบเอ่อกรณีของนบีนัวกับนบีขอมกับกรณีของท่านนาบีมุฮัมมัด น, นะครับกับลุงของท่านคือท่านท่านอบูตอเลบ อ่ามีเหมือนกันว่านาบีเนี่ยการที่มีญาตินี้คนที่ผูกพันในครอบครัวเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราจะขออะไรจะอัลลอฮ์ได้บ้างก็เป็นประเด็นเปรียบเทียบศึกษากันเ อ, อไม่ได้ห้ามทําดีนะบี่น้องทําดีได้ปกติเลยแต่ว่าเวลาขอมักฟรีรอ้องตรงนี้เราทราบได้ปัจจุบันขอไม่ได้นะครับอยากอื่นขอได้ไหมขอได้ขอให้สุขภาพดีขอให้มีความสุขได้ไหมได้ อินน ว, วะตะ ก, กันฮักกูทำไมเอย่ยสัญญาของท่านนะเป็นจริงแล้วสัญญาของร้อยยังไงบ้างสัญญาที่จะให้ความช่วยเหลือกับบรรดาผู้ศรัท ธ, ธาตอนที่ต่อเรือกันเนี่ยเรเลยไม้ต่อเรือกันเนี่ยโอ้โหพนั้นมาว่าทุกวันเลยเยอะทุกวันท้าด้วยธรรมะมาสักทีต่อเรือเนี่ยต่อทำไมมาสักทีจะลงโทษมาสักทีวะตะ ก, กันฮักกู ตอนนี้ทราบเราทำไมว่าต่อเลยทําไมเนี่ยสัญญาของอัลลอฮ์ เ, เป็นจริงแล้วนะครับอัลอฮ์ันตะอะฮ์กามุลฮากีมีนแดบันดาบันดาผู้ตัดสินเนี่ยอัลลอฮ์เป็นอะฮ์กัมเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดคือในบางครานี้ในปวัตบีนนวเนี่ยก็คนจะสงสัยอยู่ประเด็นที่หนึ่งเกินไปไหมน้ําท่วมโลกเนี่เกินไปไหมอ้าวคนเรวจริงจริงแล้วคนทุกคนเรวเหมือนกันหมดไหม ในคนที่จมน้ำมีลูกเด็กเล็กแดงไหมคำถามมีนะครับแล้วสัตว์เนี่ยทำไมทำไมเลือกแค่คู่หนึ่งและไอตัวที่ไม่ถูกเลือกเนี่ยถือว่าทำาไมอาวประเด็นมันเยอะถ้าจะถามเนี่ยนะครับแล้วก็ทำไมไม่ช่วยลูกนบีนัวหรือว่าอัลลอฮ์มหิดายะให้ลูกนบีนัวศรัทธาไปเลยทำไมไปเป็นแบบนั้นทาไปไม่เป็นแบบนี้และละเอียดบางอย่างพี่น้องเราก็สซา รายละเอียดบางอย่างเราก็ไม่ทราบแต่อายา this นะบอกไว้สันส้นๆว่าอุอ ah ันตะอัคกามุลฮากีมีนในบีโนกษาบว่าในบรรดาผู้ตัดสินทั้งหมดให้มามีผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์เป็นอัคกามอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดมีความยุติธรรมที่สุดเราศรัทธาแบบนี้พราะศานาของเลาอันอัลลูทำไมเอย่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ทรงความยุติธรรม รายละเอียดอาจจะสร้างเพิ่มก็มาศึกษากันเพิ่มบางอย่างก็ไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่เอเล็กซ์ทำเป็นอัศกมุนฮากีมีนให้ใครมาตัดสินให้ใครมากําหนดว่าน้ําจะท่วมไม่ท่วมยังไงก็ทํำไมเอ่ยยังไงก็สู้เอเล็กซ์ไม่ได้นะครับนอกจากนี้อย่างผมที่ผมเล่าไปประวัติของนบีโน้นเนี่ยมีอะไรมาเกี่ยวข้องเยอะไปมากเพราะว่าทําไมละ่ะเนื่องจากมันเป็นประวัติศาสตร์สากลมีในหลายความเชื่อ บางคนก็พยายามบอกว่าฉันนี่แหละกระสือทอดมาจากนาบีนุ่งจริงไหมเออมันก็จริงแหละเพราะธรรมวันน้าท่วมโลกตอนนั้นก็ไม่เหลือใครแล้วนะบางคนก็บอกน้ําท่วมเฉพาะพื้นที่อะไรกันแต่เกี่ยวกับนบีนนะ่งมีเยอะแยะไปหมดในตำนานเพราะว่าในประวัติสตร์ในความเชื่อไหนก็ปรากฏเหมือนกันอันนั้นคือความหมายในอายะที่อายะที่สี่สิบห้าต่อมาในอายะที่สี่สิบหครับอัลลอฮ ตรัสตอบสิ่งที่นบีนวฮ่าขอไปนบีนว่าอายะที่แล้ววันอาดานูคนรอบบาฮูร้องขอต่อละกอละฮอบีอินนับนีมินอัลีเนี่ยเป็นลูกของฉันนะครับในอายะที่สี่สิบหกเนี่ยทำไมเอ่ยอัลลอฮ์ตรัสตอบไปว่ากอลอัลล์กล่าวว่ายานุหู โอ้นัวเอ้ยอินนาหูจริงๆแล้วเขานั้นวงเล็บก็คือลู่นบีนวัวไลซามินอะลิกะไม่ได้เป็นคนในครอบครัวของท่านเดี๋ยวจะอธิบายเอาความหมายาข้าวๆก่อนอินนาหูอามาลุนรอยซอลิหินทำไมเอ้ยการการะทำของเขาเนี่ยไม่ซอแล้ว ขอปราพิตรไม่ดีฟลาตัสอันนี้อย่าขอฉันตัสอันนี้คือตัสอันนี้อย่าขอฉันมาเลายซละกะบีฮีอินมุนในสิ่งที่ฉันที่ท่านไม่มีความรู้อินนีแน่แท้ฉันนั้นอาอิทุกะเตือนต่อท่านอันตากูนาบินันยาฮิลีนทำไมเอ่ย เพื่อที่จะท่านนั้นจะได้มาอยู่ในกลุ่มชนซึ่งยาฮิลีนทีงงงายทีงโง่เขาอันนี้เป็นอลลกตอบกับ น, นบีนุ่สิ่งที่นบีนวเนี่ยขอได้ไหมไม่ได้ไม่ว่าจามองว่าอายาิีสีส่ิบาพเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมขอให้ลูกไม่จมเนี่ยก็ไม่ได้หรือว่าจะมองว่าอายาที่สีส่ิ้าที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์หลังจากน้าท่วมขอมักเฟร้ ก็ไม่ได้เห hey, <ผม S 1> ตุผลทีนายมีนุบอกว่าอินนับนีมินอัฮล ah ีทําไมเอ่ยเขาจะเป็นลูกของฉันอลัลลอฮ์บอกว่าอินนับฮ ah ูไรซะมินอัฮดิกะเขามาได้เป็นคนหนึ่งในครอบครัวของฉันอา้าวคาถามเกิดขึ้นต่อจะไม่คนในครอบครัวไหนกลายเป็นลูกนายมินุวะจะไม่ทราบว่าใครเป็นลูกก็คือทราบแล้วใครเป็นลู ก, ก, ลร เ, ลกเราเราเป็นพอ่อใครเนะี่ยเราทราบทาําไมอัลลอฮ์ถึงบอกว่ า, วา อินนาหูไรซามินอาฮลิกาเขาไม่ใช่เป็นหนึ่งในครอบครัวของท่านทำไมละ่ะจมน้ำแล้วความเป็นพ่อเป็นลูกจะแตกตา ก, กันเออมันจะหักกันใช่ไหมนักวิชาการก็มองว่านำเสนอว่าคำว่าอาหลุนคำว่าครอบครัวสายสัมพันธ์อะไรแบบนี้ในพี่น้องไม่ได้มาทางสายเลือดอย่างเดียวแต่ว่ามาทางศรัทธาด้วยเขาจึงมองว่าคาว่าอาในที่นี้หมายถึง ครอบครัวด้านความศรัทธาเวลาที่เราพูดกันนพี่น้องในวัฒนธรรมของมุสลิมเราเนี่ยเวลาพูดกันพี่น้องพี่น้องไม่มีใครเป็นพี่เป็นน้องผมสักคนทําไมต้องพี่น้องพี่น้องเข้าใจไหมพี่น้องทําว่าพี่น้องไม่ได้พี่น้องทางสายเลือดจริงๆแต่ว่าอยู่ร่วมกันในศาสนาพี่น้องมุสลิมเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งเหมือนกับความสัมพันธ์ครอบครัวเลย เวลาไปโต๊ะโต๊ะข้ามถนนระวังหน่อยโต๊หันว่าใครเป็นใครไปโต๊ะแกแกเป็นหลานชังหรอหรามาันไหนหมาความอย่างนั้นมันจะโต๊ะเป็นเป็นแม่ของมะฉันฉันมันไหนหมาความแบบนั้นแต่หมายความว่าสายสัมพันธ์ที่มีเนี่ยทาไมเอย่ยเราเชื่อมกันด้วยกับด้วยกับศาสนานะคำว่าอัลฮลิตตันี้ก็อธิบายว่าไม่นช่ดานสายเลือดเป็นทางศาสนา อินนอวัลลุนรอยโฮโซเลหินทำไมเอ่ยทำไมเขาไม่ใช่ละ่ะเพราะว่าการงานของเขานั้นเป็นการงานที่ใหม่ซอนแล้วทำในสิ่งที่ไม่ดีตอนที่น้ําท่วมน่ยพี่น้ อ, นองไม่มีการกลับเนื้อกลับตัวแบบกระทันหันน่ะเท่าที่ข้อมูลที่มันถึงเราศึกษากันเนี่ยยังไม่มีแปลว่ายังไงละ่ะ ไม่ได้แปลว่าน บ, บีนว่นเผยแพร่แล้วแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาว่าน บ, บีนุ่นแต่เวลาน้ามาแล้วพลิกหัวใจมาศรัทธาเนี่ยไม่มีกลุ่มประเภทนี้นะ mm. คือไอ้คนที่ศรัทธาก็คนที่ขึ้นเรือ ก, ก็คือคนที่ศรัทธาอยู่แล้วแล้วก็อยู่เท่านั้นอยู่มานานแล้วเป็นร้อยร้อยปีแล้วไอ้คนที่ไม่ศรัทธามันก็อยู่ของมันอย่างนั้นไม่มีแบบกระทันหัน ไอ้กระทันหันเนี่ยมีมีในประวัตินบีไหนเจ้าได้ไม่มีน้องนในบียูนุสที่เราเคยผ่านไปแล้วเนี่ยมันมีนบียูนุสเนี่ยเตือนไว้แล้วว่าทําไมทําในี่นว่าการลงโทษจะมาสี่สิบวันรออยู่ดีเราจะลงโทษชิบหายกันหมดแหละหายนะกันหมดแหละคนที่ไม่เชื่อเชื่อไม่ไม่เชื่อที่พูดว่าเดินทางออกไปแต่ว่าเวลาจะใกล้ครบสี่สิบวันเนี่ยมีสัญญาณการลงโทษมา พวกนี้นึกได้น บ, บีนุสยูนุสเคยตักเตือนไว้พิกมาศรัทธาน บ, บียูนุสกลับมาไม่ได้เผยแผ่ไหมแล้ะแต่ว่าคนไม่จะตระหนักเวาลาเห็นสัญญาณแต่ลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับกลุ่มชนของน บ, บีนัวสอนอยู่ไม่ศรัทธาไม่เชื่อไม่ฟังพอน้ํามาถึงตะตุ่มแล้วศรัทธามีไมไม่มีใ น, นกลุ่มชนน บ, บีนัวไม่มีแม้กระทั่งลูกน บ, บีนัวเองเนี่ย น้ำท่วมหมดแล้วน้ำท่วมจริงๆแล้วเนี่ยให้ขึ้นเรือเรือลอยอยู่เนี่ยเห็นชัดๆเราเป็นทางรอดเอาไหมก็ไม่เอาจะตายอยู่แล้วเอาไหมจะตายอยู่แล้วก็ยังไม่เอาก็ไม่ขึ้น ก, ก็จงตายอย่างนั้นแหละฉะนั้นไอช้ชนที่มันพิกสัญญาณมาแล้วพิชเนี่ยในกลุ่มชนนาวีนัวไม่มีว่ลอราอะลัมเท่าที่ทําไมเอ่ยเท่าที่เราทราบข้อมูลตรงนี้ ฉะนั้นอินนาหูอัมลุนลอยรุซอลีห so ินเขาทำการงานไม่ดีคนที่จมน้ำตาเนี่ยการงานของเขาไม่ซอลแล้วไม่ได้เขาเรียก ว, ว่ากระทำการงานดีๆฉะนั้นจึงไม่รอดพนไม่เพราะว่ามันแบ่งง่ายๆมากในในในช่วงใน บ, บีนวัวเนี่ยศรัทธาต่อน บ, บีนวัวไหมถ้าศรัทธาก็ขึ้นเรือใน บ, บีนวัว ถ้าไม่ศรัทธาทําไงไม่ศรัทธาก็ไม่ขึ้นเรือแบ่งกันง่ายพอขึ้นเรือแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงผลลัพธ์ก็คือไม่ตายและที่ไม่ขึ้นล่ะผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลก็คือตายในปรวัตินบี น, นุ่นเนี่ยแบ่งง่ายมากคนดีคนเลวเนี่ยชัดเจนคนดีอยู่ไหนนะนูน่นนะอยู่บนเรือน้ําท่วมคนเลวละ่ะอยู่นอกเรือแบ่งกันชัดเจนมากนะครับออในประวัตินบี น, นุ่นเนี่ยชัดเจนเพราะอะไรเพราะระยะ เ, เวลามันนาน แลก็สุดท้ายเนี่ยคนศรัทธามันได้แค่นั้นไม่เพิ่มแล้วเอาลอกกัเลยลานะครับเขากันงานของลูกเนี่ยมนาบีนุ่นไม่ดีฟาลาตอันนี่เอาลอกบอกว่าอย่าขอต่อฉันบอนนาบีนุน่นนอยอย่าขอต่อฉันมาเลยเซลกาบีฮีเอ็นมุนในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้อ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นบางคนบอกไม่มีความรู้เพราะว่าในสมัยนบีนุเนี่ย ยังไม่มีชรีอะไม่มีบทบัญญัตินาว่าห้ามขอไผยโทษให้กับลูกให้กับคนที่ไม่ศรัทธาน บ, บีนุ่มไม่ทราบกันเลยขอเนี่ยน บ, บีนุ่ยังไม่มีความรู้เพราะเรายังไม่ให้วะฮีตอนนี้ทราบแล้วว่าขอไม่ได้ต๊อปซีนแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าสิ่งที่น บ, บีนุ่ไม่มีความรู้ก็คือว่าเวลาที่จะนับว่าใครเป็นคนในครอบครัวหน้าอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอลัลลอฮ์มาด้ดูสายเลือดอลัลลอฮ์ดูความศรัทธา ฉะนั้นครอบครัวนอะัลลอฮ์คือครอบครัวความศรัทธาไม่ใช่ครอบครัวทางสายเลือดคนที่เป็นคนครอบครัวเดียวกับท่านกลุ่มเดียวกับท่านคือคนที่มีศรัทธาเหมือนกับท่านปัจจุบันในโลกมนุษย์เนี่ยมีน้องทางสายเลือดในมีผลนะผมที่ได้มาสอนเนี่ย ก็มีผลเหมือนกันเข้าใจว่าป๋าสอนอยู่ป๋าป่วยเอ้าวผมเป็นลูกมาสอนก็มีผลมันมีผลเหมือนกันมันมันก็มีเอื้อประโยชน์เหมือนกันแหละนะครับหรือว่าเวลาไปหาผู้คนเส้นสายทางครอบครัวมีผลไหมในดุนยามีผลในดุนยามีผลแต่ว่าไปวันอาคีรอแล้วเนี่ยจบเลยพี่น้องไม่มีผลลูกใครไม่มีผลนะเป็นการงานของใครก็มันนาอัลลอฮ์แล้วสายโลหิตมีผลไหมไม่มีผล นะครับเออบางกลุ่มเอาล้อให้เกียรติมีไม่มีวงวายเราท่านนายบีเอาล้อให้เกียรติไหมเอาล้อให้เกียรติมีความประเสริฐให้แต่ไม่ถึงระดับที่เป็นมัธสูหนาประเด็นนี้ไม่แตะแล้วอย่าออกไปนู่นอีกนะครับเอ้าเอาล้อบอกว่าอินนีแน่แท้ฉันนี้ทําไมเอ่ยออิซุกะเตือนท่านอันตะกูนามินันญาเฮลีนเตือนให้ท่านทราบ ท่านจะได้ไม่อยู่ในกลุ่มชนที่คนที่ไม่ทราบเทอะร์บอกว่าอย่าขอนะนบีนัวขอแบบนี้ให้ช่วยลูกเอลอร์บอกว่าเพราะทำไมของั่นด่ะเพราะลูกเป็นคนในครอบครัวเอล์บอกเขาไม่ใช่คนในครอบครัวทําไมล่ะเพราะการงานเดียเขาทำน่ะมันไม่ดีอย่าขอในสิ่งที่ท่านไม่ทราบเหมือนจะแรงนะแต่อเลอร์บอกว่าอินนียอินดูกา ฉันเตือนท่านทำไมล่ะถ้าฉันไม่เตือนแบบนี้ท่านก็จะเป็นอันตะกูลบินันญาลินหนึ่งในกลุ่มชนที่ไม่ทราบตอนนี้ในบินว่าตทราบแล้วว่าขอให้กับผู้ที่ไม่ศรัทธาขอได้ไหมขอไม่ได้นะครับ เ, ออเวลาที่ถ้าเอาแง่คิดนะบี่น้องเวลาที่เราทำการอาิซูเมาอิซ้อเนี่ยมันจะเขาว่าเมาอิซอเมาอิซ้อแปลว่าข้อตักเตือน ข้อตักเตือนนี้ให้กันทำไมพี่น้องให้จะได้หลุดพ้นจากความปัญญาเฮลีนสมัยก่อนอิสลามคนอาหรับไม่ใช่อิสลามคนอาหรับอยู่ในยุคที่ยาเฮลียะไม่ได้แปลว่าโง่นะหมายความห่างจากศาสนาเนี่ยมิมานาสซาฟะไม่ได้โง่กแบบับโง่เอ อ, เ อ, อไม่ใช่นะห่างจากคุณธรรมจากศาสนาแล้วก็อิสลามมาก็ให้ข้อตักเตือนดึงเอาบุคคลออกจากความปัญญาเฮลียะ วันไหนที่ผมมีความยาหินย่าพี่น้องกลับมาเตือนได้ไม่ได้แป ล, ออนะแปลว่าโม่นะยาหินีแปลว่าโม่แต่มันทีมอไหม่ศาสนาบันที่โกรธกันเน่ยพี่น้องวันนี้เสาส์ศน า, าเหมือนจะมีความรู้บันที่โกรธกันพี่น้องจะมีเรื่องการจะทะเลาะ ก, กันในช่วงนั้นเนี่ยทําไมละ่ะผมจะฮันแล้วก็คือว่าห่าจากศาสนาแล้วเมาอีซอต้องให้ไปตักเตือนคนตอนโกรธนี่น่ากลัวพี่น้องคนดีๆนี่แหละ ยิ้มๆนี่แหละยิมมาดีๆนี่แห ล, ลกกะเวลาโกรนันหลุดเคยเจอไหมน่ากลัวสภาพตรงนั้นเหมือนกับยาเห็นไม่ได้แปลว่าเขาโง่ปัญญาต่ำไอคือต่ำไม่ใช่นะเข้าหาจะสนาแล้วไอความโกรธความอะไรมันปังหมดแล้วรู้ไหมว่าทําไปน่ะผิดผิดแต่ว่ายังไม่อยู่แล้วต้องเอากันแล้วทํำยังไงล่ะทําแบบอาญานี้ให้เมาอีซอเตือนพี่น้นองฟังไม่ฟังไม่รู้แต่ต้องเตือน ถ้ากองคุณไม่ใช่คนแบบนี้ใจเย็นๆแล้วก็เตือนทําแบบนบีก็ได้ลุกไปอันันต์ละหมาด ก, ก่อนไหมละหมาด ก, ก่อนไหมแล้วค่อยมาคิดกันใหม่ว่าจะว่าจะเอาไงกันดีจะทะเลาะ ก, กันดีไหมเตือนแบบนบีก็ได้นะครับสภาพญาตเห็นเนี่ยพี่น้องไม่ได้ภาวะทางปัญญานะผมกับพี่น้องวันหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้ดีๆกันนี่แหละแต่บางทีความโกรธความเกลียดอคติทําให้เราเป็นญาติเห็น เราทำยังไงล่ะคนรอบข้างต้องให้เมาอีซอกให้ข้อตักเตือนอายะสุดท้ายในวันนี้ครับอายะที่47เอเลอตัดไว้ว่ า, างไงครับผมก็ละนะอเลอตัดนะกูอ่านเอเลอตัดหมดเลยแต่ว่าตัดบนรีซานกับนาบินวนวนาบิโนะบอกว่ารอบบี้โอพระผู้บิบาลของท่านอินนีเนเทเชนันนีอูรูบก้า ขอความคุ้มครองต่อท่านอันอัสอาลกาคุ้มครองจะอะไรล่ะจากการที่จะขอต่อท่านเวลาเราเห็นคำว่าอูหรือพิก้าขอความคุ้มครองนะพี่น้องให้ทราบเลยว่าไอ้ที่ตามมาข้างหลังเนี่ยของไม่ดีเพราะไม่ดีเราจึงต้องขอความคุ้มครองจากเราอูหรือพิก้ขอความคุ้มครองต่อท่าน ไอ้ข้างหลังนี่ไม่ดีนะอะไรไม่ดีที่นาบีโนขอความคุ่งกรจากอัลลออันอัสอาลกะในการที่ฉันจะขอต่อท่านมาเลยซาลีบีฮีอินมุในสิ่งที่ฉันไม่มีความรู้นะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่งระวังต้องระวังเดี๋ยวจะมาคุยวันเอ๊ะมันประเด็นมันคืออะไรวะอิลลาตัส วอิลลาวอิลลาตักฟิลลีวัตระหามนีอากุมีนันคอซิรนนบีนบอกว่าหากพระองค์ไม่ทําไมเอย่ยตักฟิลลีให้อภัยโทษ ต, ต่อฉันวัตระหมนีและก็เมตตาต่อฉันยังไงละ่ะอากุมบินันคอซิรินฉันจะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ถากอ้าวสิ่งที่นบีนขอความคุ้มครอง เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งสิ่งนี้ในญาณนี้คือขอต่ออัลลอ์ในสิ่งที่เราไม่มีความรู้อะไรบ้างคือสิ่งที่เรามีความรู้นบีนัวไม่ทราบว่าการขอให้กับลูกซึ่งไม่ศรัทธามักฟิรอหรือว่าความช่วยเหลือนายญาิเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ให้นบีนัวขอความคุ้คมครองจากอัลลอฮ์ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ เราเคยขอต่อรอดในสิ่งที่เราไม่ทราบไม่พี่น้ อ, นองไม่ทราบว่าขอควรขอไม่ควรขอคือจริงๆแล้วเนี่ยในอิสลามสนับสนุนให้เราขอต่อลอดพี่น้องในดิสทันนาบีเนี่ยแม้กระทั่งพระเจาไม่ผิดรายงานดีมั่งติ้งพีแม้กระทั่งเชื่อทเท้าแตะขาดเนี่ยเดินเชื่อเท้าแตะขาดขอต่อลอดได้คือต้องการบอกว่า เราอาจจะชินกับความเชื่ออื่นเวลาจะขออะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องเป็นพิธีมันต้องวงสวนมันต้องยิ่งใหญ่ขอให้ประเทศพ้นภัยเศรษฐกิจมันต้องใหญ่แบบนั้นถึงจะขอต่อพระเจ้าขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แต่ในอิสลามเนี่ยไม่ใช่พี่น้องเอาเราบอกอินดีกอริย์เอาเราพูดเองนามมาเจ้คนมาพูดฉันน่ะอยู่ใกล้ให้ขอขอขอให้เยอะอย่า เราเอยากความรู้สึกว่าต้องงานงานช้างจริงๆจะขอต่อรอเนี่คือจะล้มละลายแล้วลูกจะตายถึงจะขอต่อรอดเนี่ยทาไมเข้าไอซียจะไม่ขอต่อรอดไม่ใช่ใพี่น้อง น, นายฮัจิสตันนบีบอกวา่าแม้กระทั่งเชื่อมันเท่าแต่นาะยพี่น้องขาดเรื่องเล็กน้อยพี่พี่น้องบางทีเราไม่บอกกับใครแต่เรื่องเล็กแบบนั้นขอต่อรอดได้ทําไมล่ะทุกครั้งที่ขอต่อขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันกระชับความสัมพันธ์ เวละพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทำไมเอ่ยพี่น้องจะตะหนักกว่าพี่น้องคือบาวอลัลลอฮ์คือเจ้าทุกครั้งที่ขอต่อลอฮ์และศรัท ธ, ธาเราจะแน่นมั่นคงมากขึ้นเพราะฉันเป็นบ่าวอลัลลอฮ์เป็นเจ้าฉันขอต่ออลัลลอฮ์คนอื่นยังลื่นว่าจะขอต่อสิ่งไหนดีแต่ฉันรู้ว่าฉันเป็นบาวอลัลลอฮ์เป็นเจ้าขอต่ออลัลลอฮ์ฉะนั้นดุอาขอให้เยอะๆขอให้เยอะๆพี่น้องคราวนี้สิ่งที่ขอเนี่ย บางทีเราก็ไม่ทราบมันเหมือนจะดีแต่มาทีได้มนแล้วไม่ดีมูสิมาบางคนมีคนมาขอพร้อมกัน4นะคนมีน้องมีหมดเลยรอจนดำมีหมดเลยไม่รู้เลยว่าจะเอาใครมีน้องถามคนนี่ก็ดีนู่นก็นดีไม่รู้จะเอาใครมีน้องก็ อ, อิสติควาระขอต่ออัลลอฮ์นะ ให้ได้ในสิ่งที่ดีเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตมันทีได้ไมาแล้วทราบไหมไม่สราวมันจะดีไม่ดีให้อัลลอฮ์เลือกให้เช่นเดียวกัน ข, ขอให้ได้สิ่งนู้นสิ่งนี้บางทียังไม่มาสักทีพอมันทีมาแล้วมันไม่ส่งผลดีต่อชีวิตอัลลอฮ์จะไม่อนุมัติให้นบีนุบบ่งข อ, ขอความกุศลจากอัลลอฮ์ขอในสิ่งที่ไม่มีความรู้เนี่ยกลัวขอไปแล้วสิ่งที่ได้มามันจะไม่ดี แบบนู้นแบบนี้หรือว่าไม่ควรจะขอแต่อยา่างไรก็แล้วแต่พี่น้องวิธีหนึ่งที่กระชับความสัมพันธ์ระหวังพี่น้องกับอัลลอฮ์นะมีหลายวิธีแต่ดูอาร์เป็นวิธีหนึ่งซึ่งง่ายมากละหมาดจะต้องมีน้ำละหมาดนะจะ ก, ก้มจะเงยจะตองมีที่นะดูอาร์นี่ขอขับรถแล้วก็มีความกังวลขอต่อรอดเลยขอเพราะว่าฉันเป็นบาวขอพราะว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้า กระชับความสัมพันธ์เบากับเจ้าอ เ, เอา่อก็มีแล้วแต่นะครับอ้าวจะจบแล้ว เ, เวะอิละตารฟิลีวะตาระฮามีอากุนไม่นั่งขอสิรินน บ, บีนุ่นบอกว่ า, วาทอลล์มาพยาโทษให้แล้วก็ไม่เมตตาไม่เตือนไม่ให้ความรู้เนาะว่าอย่าขอในะสิ่งที่ไม่ทราบเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรขอเนี่ยฉันจะหนึ่งจากเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ผู้ที่ขาดทุนนะ อ๋อวันนี้ผมททรอีกนิดนึ่งประมาณหนึ่งนาทีนะครับวันนี้สี่อายะในซุฮูดอายะที่สี่สิบสี่ถึงอายะที่ี่สิบเจ็ดเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับ น, นบีนัวอย่างงงนาซุฮูดแต่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ น, น, นบีนัวตอนไหนเหตุการณ์ตอนไหนตอนที่น้นาออําแห้งเร็วน้ํามันแห้งยังไงอลัลลอฮ์สั่งฟ้าว่าอย่างไงสั่งแผ่นดินว่าอย่างไงนะครับ มีแง่คิดเกี่ยวกับคนในครอบครัวนบีนัวกับลูกคนหนึ่งซึ่งไม่ศรัทธาความเป็นพ่อเขาเป็นลูกฉันเป็นคนในครอบครัวฉันฉันเลยขอต่อพระองค์นี่คือความเป็นพ่ อ, อ, อความรู้สึกแบบนี้พี่น้องนบีมีนะไม่ได้ถือเป็นข้อตาหนิถ้านบี ม, มุฮัมมัดมีภรรยาหลายคนขอต่อร้อว่าอย่า เอาในสิ่งที่ฉันไม่สามารถควบคุมได้เช่นในความรู้สึกอาจจะรักไม่เท่ากันถ้าเป็นถ้าคิดตามความยุติธรรมนาะโดนสอบสวนเพาถือว่าไม่ยุติธรรมแต่วัานอภิษก็ให้เท่ากันความยุติธรรมดังอื่นให้เท่ากันแต่สิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยฉันควบคุมไม่ได้ขอต่อลร้องเหมือนกันนายบิมันก็มีดูอาแบบนี้เหมือนกันนะครับนบีนอ๊ดโดยกับความเป็นพ่อนบีเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดานายบีน้องผูกพันกับลูกขอต่อร้อง ให้กับลูกจะเป็นการอาภัยโทษหรือว่าการรอดพ้นกันแล้วแต่ขอต่อรอดแต่อัลลอฮฺไม่ให้แล้วก็เตือนว่าอย่าขอในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้ในประเด็นนี้เนี่ยให้ไม่ได้นะครับนบีนุก็เลยขอความคุ้มครอลต่ารอดว่าในการขอต่อรอดเนี่ยให้สิ่งที่มันทําไมเอ่ยสิ่งที่มันขอได้แล้วก็เป็นผลดีต่อชีวิตนอกจากนี้ทําไมเอ่ยอัลลอฮฺยังให้การอาภัยโทษต่อนบีนุ่ง ให้ความเมตตาแล้วก็ทําไมจะบีนัวนั้นทําไมเอย่ยไม่เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนเนี่ยวิลลาเตาฟิลิวตัวตระคำีอากุมเมนังคอชีรินนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากกับพี่น้องในวันนี้กับซาร์ฮูดครับสัปดาห์หน้าก็ยังอยู่อยู่ยังไม่จบนะซาเออย่างยาวอยู่วันนี้พระวิลาตาฟิลวัติดายะอสาาัสสลามูอะไลกุมวะราะมัตุลลอยฮิวะบะระกาตู